วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเกมกราคมพุทธศักราชสองพห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันที่สามสิบครบรอบสามปีของหลวงตานะ้าวันที่สามสิบวุ่ปัญหาเข้าเปือกด้วยแล้วก็เป็นวันตุดจีนด้วยวันนั้นอะ่ะพี่น้องจีนไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันน่ะอยากจะไปทําบุญกับหลวงตาก็อยากจะไปทําแล้วก็อยากจะ ไปตุกินก็ไหว้เจ้าก็จะไปไหว้เจ้านะวันนั้นรู้สึกว่าชุกลงหกพอสมควรลูกหลานแล้วก็พระทั้งหมดวันนี้ของพวกเรายี่สิบแปดรูปเน1หนึ่งรูปลงมาฉันยี่สิบรูปงดฉันห้ารูปไปตรวจสุขภาพหนึ่งรูปพาสุนัขไปหาหมอสองรูปปุณนะ รายงานคือหมาหมาก็ป่วยเหมือนกันนะหมานี่แปลกหมาไอ้ไอแบหมาไอ้แบมันป่วยเป็นอะไรเชื้อโรคในหัวใจฮะยพยาธิในหัวใจพรานะมันโมแมนธรรมดาพนะยพยาธิมันกินออดหัวใจหมาเพราะนะก็เลยอาการหนักพอสมควร แล้วก็ท้องท้องใหญ่เป็นน้ําพอดีหลวงพ่อลงกรุงเทพข้าวก่อนน่ะเขาก็บอกว่าหลวงพ่อถ้าหากว่ามีหมาเจ็บไข้ได้ป่วยหมาป่วยก็ดิฉันไปเปิดคลินิกอยู่ที่ขอนแก่นนะหลวงพ่อคลินิกเปิดใหม่ะโอ้ยพอดีพอดีพอดีหมากาลังป่วยอยู่พอดีแน่ๆวะทำไม ไอ้แบมันมีโชควาสนาอย่างนี้ว่ะหลวงพ่อก็เลยรับเลยจากนั้นก็ได้ส่งไปมู้มันรู้สึกว่าอาการหนักพอสมควรนะหมอส้มอยู่ทั้งนี้เอาไม่ไหวแล้ะก็เลยส่งไปให้หมอขวัญแก่นหมอเขเลยเจาะน้ําออกโอ้ตั้งหลายลิตรนะน้ําอยู่ในท้องหมาจากนั้นก็ไปสองสามครั้งดีขึ้นต่อมากูบาก็ชราใจอีกเลย ไม่พาไปไปเขามาหลวงพ่อเห็นไหวหมาทําไมมันท้องกําลังจะใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยว่ะก็เลยบอกกับหมอทางนู้นอีกหมอเขาบอกให้ไปหาหมอเขาอีกนะแต่เฉพาะค่ายาเนี่ยนะค่าหมอค่ารักษาเนี่ยยังไม่นับคราวนี้นะนับครั้งก่อนก่อนนะจะเพาะอย่างเดียวหมดไปสี่หมื่นกว่าบาทนะค่าหมอนะอแต่เขาก็ไม่คิดเงินหรอกเขาคิด เขาคิดมาหมดแล้วล่ข่านิ้วคือข่านิ้วมือข่านี่ข่าหยู่ค่ายยาค่าอะไรเขาเนี่ยเขาคิดออกมาจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาขอใบอนุโมันาบัตรสี่หมืนกว่าบาทเราก็คิดว่าหมาก็เป็นเป็นของวัดเหมือนกันนะเราก็ให้ให้ใบอนุมัติธนาบัตรส่งไปให้เขาเหมือนกันเรื่อน่ะก็เลยพระก็เลยเอาไปสองรูปเพื่อไปดูแลหมา หมามันก็มีควานเหมือนกันนะถ้าองค์ไหนไม่รู้ไม่เคยคุ้นเชื่องมันมันก็เฮ้เฮเหมือนกันนะถ้าหากว่าคนไหนรู้จักมักคุ้นมันเนี่ยทายังไงมันก็เฉยหยอมหมดเพราะมันกับกูบาเนี่ยหมากับกูบานเป็นเสี่ยวกันเหมนกันนอเข้ากันได้ ไอ้ตัวไหนคนไหนเข้าไม่ได้ไม่เป็นเสียวของมันมันเหออนะนะมันขู่เหมือนกันนะมันไม่อยากจะเป็นเสียวกับครูบาองค์ที่ไม่คุ้นเชื่องกับมันเนะมื่อไปเมื่อเช้าเนี่ยไปไปขนแก่นแล้วก็วันนี้หลวงพ่อคงจะไปสกลนครวันนี้มันจะตอนเทีง่งเที่ยงบ่าย ขรหกบ64ปีหลวงปู่มั่นวัดสุดทธาวาสจังหวัดสกลนครตามปกติตั้งแต่หลวงปู่มรณะภาพมาเนี่ยรุ่นเก่าๆรุ่นปู่เทศปู่ฟันหลวงปู่กูปู่กวากระจัดมาขบทุกปีทุกปีแต่พอเป็นบางครั้งคือบางครั้งกูบายจยนร่อยหลอลงก่อนรู้สึกว่า ห่างเหินไปบ้างแต่ก็ยังจัดอยู่แต่พอมาช่วงหลังๆนี่นก็บ้านเมืองรู้สึกว่าดีขึ้นการสือส่อสารดีขึ้นก็เลยจัดใหญ่ขึ้นแต่หลวงพ่อไปดูแล้วก็โอ้จัดใหญ่นะก่อนนิมนต์ครูบาอาจารแนวแถวสายแต่ละสายแต่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมก็ไปไหว้พระสวดมนต์ บวชชีพรามณ์ก็มากอยู่มากทีเดียวนะไม่ใช่มากอยู่เต็มวัดนะวัดสุทธาวาสที่วัดที่หลวงปู่มั่นนิพพานอยู่ที่จุกนนครวันนี้หลวงพ่อเของคงจะได้ไปไปเทศไปพูดในงานหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธหลวงพ่อเคยไปมาคิดวว่าสองครั้งละแต่เว้นวักไป แต่ปีนี้ท่านนิมนต์มาอีกหลวงพ่อก็เลยคงไปแสดงธรรมประมาณสองทุ่มแล้วก็พอจบแล้วหลวงพ่อคงจะมาพักที่แถบแถบแถวอำเภอสว่างแดนดินใกล้ๆวัดป่าบ้านตาดเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่สามสิบก็เป็นวันข้อพรอบองหลวงตา พี่น้องประชาชนสัทวาญาติโยมก็คงจะมืดฟ้ามัวดินมาเหมือนกันนะมาจากจากตรทิตมาจากทางอื่นไกลมาทาบุญครบรอบสปีนะลงตาจากไปสปีนะนะพี่น้องลูกหลานในวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของท่านันที่30มกราห7าสปีแล้วก็คงจะมีทาบุญประทายเข้าเปือกด้วย สองงานบุญประทายเข้าเปลือกนะี่ก็หลวงตานะ่ะเป็นผลตั้งขึ้นมาตั้งแต่ไปสร้างวัดป่าบ้านตาดพอท่านไปอยู่บ้านตาดก็คือเป็นประเพณีของพี่น้องลูกหลานาทถาญาตโยมตั้งแต่เก่าก่อนตั้งแต่ก่อนที่หลวงตาบวชนะั่นแหะเขาจะทำบุญประทายเข้าเปลือกเป็นประยาพอหลวงตาไปอยู่ที่นั่นเขาก็จะทำเขาก็ทำ ขอหลวงตาปัดป่าบัญตาทำแต่หลวงตากขอนุญาตเขาก็ให้เหตุผลว่าการทำนาแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ได้ทำให้คนอื่นทุกอกทุกใจตั้งแต่สัตว์ที่อยู่ในพื้นดินในพื้นแผ่นดินในท้องนาไม่รู้กบไม่รู้เขียดไม่รู้ไสเดือนไม่รู้สัตว์ทั้งหลาย ตายเพราะการทำนาของชาวนานะไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะใช้ไถใช้คลาดสัตว์ทั้งหลายอยู่ใน น, นั้นพกมดพกอะไรก็ตายไม่ใช่น้อยแล้วก็ได้ใช้ผวกกำลังสัตว์ใช่วัวใช้ควายลากไถไม่ใช่มันสมัครใจแต่มันก็ทำเพราะมนุษย์บังคับให้ทำในเมื่อได้ข้าวมาแล้วลูกควรจะทำบุญ ส่วนหนึ่งอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียสละแรงงานดรว่เสียสละหรือว่าสัตว์เหล่านั้นได้ลมหายตายจากไปโดยไม่เจตนาขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้เป็นการทําบุญประทายเข้าเปลือกเขาก็อ้างเหตุผลลักษณะอย่างนั้นที่หลวงตาที่หลวงพ่ออยู่แต่ก่อนหลวงตาท่านก็พูดพูดให้ฟังลักษณะอย่างนี้แหละที่ท่านที่พี่น้องประชาชนเขามาหาย มหาท่านแล้วก็ให้เหตุผลท่านก็ยอมรับจากนั้นก็มีการทําบุญปทาเข้าเปลือกอุทิศส่วนกุศลแต่ว่าก็รู้สึกว่าจิตยิ้ ง, ง, งใหญ่กว่าทุกแห่งหนเวลาทําบุญปทาเข้าเปลือกทีไรวัดป่าบ้านตาดเนี่ยรู้สึกว่าข้าวเป็นหลายพันนะเป็นหลายพันถุงเป็นภูเขาเหลากอเลยละ่ะข้าว ศรัทธาญาติโยมซื้อมาแล้วก็ถวายถวายเป็นบุญประทายเข้าเปลือกถวายองค์หลวงตาจากนั้นท่านได้จะตุปัจัยมาแล้วทั้งก็ะช่วยสงเคราะห์โลกให้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์บงังสร้างตึกสร้างโรงเรียนนี่แหละหลวงตากเอาใชใ้ไปลักษณะอย่างนั้นเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานอย่างเก่านะะั่นะในเมื่อไหลมาหาท่าน มันก็เลยกลับไปสู่ชุมชนสังคมหลวงตาท่านไม่ได้เก็บเอาไว้เกิดประโยชน์อันนี้ก็คือบุญประทายเข้าเปลือกวันพุ่งนี้ละและก็พร้อมกันก็เป็นช่วงเดียวกันพระสงฆ์คณะสงฆ์บ้านตากก็เลยบอกว่าทำบุญวันครอบรอบหลวงตาด้วยแล้วก็น่าจะทำบุญประทายเข้าเปลือกด้วยเพื่อให้งานมัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าไม่ง้นก็จัดงานสองขยักก็เป็นงานใหญ่โดยกันทั้งสองงานก็เลยให้เป็นวันเดียวกันซะอันนี้ก็คือกระสุดแท้แต่ทางเจ้าวาดหรือว่าคณะสงฆ์คณะกรรมการของวัดจะพิจารณากันโดยความเหมาะสมพวกเราก็อยู่ในต่างถิ่นมีแต่เข้าไปร่วมในฐานะที่ว่าพ่อแม่ ผู้มีอุปกราระคุณเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนถึงทางถึงวันสำคัญเราก็ไม่ไม่เข้าไปกำกลายเลยก็ดูจะไม่ถูกต้องเว้นเสียแต่ว่าเราทำมานานแล้วเราก็ค่อยๆห่างๆออกบ้างเพราะว่าอายุของเราทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะหนุ่มไปข้างหน้ามันแก่ไปเรื่อย อย่า ง, งานของหลวงปูล่ลาเมื่อคราวที่แล้ววันที่18ที่ผ่านมา18มกราคม57อันนี้ก็หลวงปูล่ลามรณภาพมาเกือบ20ปีหลวงพ่อเขาไปทุกปีทําให้จําเป็นแต่คราวนี้ก็จัดงานของหลวงปู่จามวันที่5มกราคมไปอยู่ที่นั่นเดือนกว่ารู้สึกว่าสะบักสะบอมพอสมควร งานงานใหญ่จากนั้นก็เขาก็นิมนต์ลงไปกรุงเทพเอกีกเป็นงานสวดพระอภิธรรมแล้วก็ทาบุญสวดอภิธรรมงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังคราชวันที่18ตรงกับงานหลวงปู่ล่าพอดีเ ก, ก็นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมในวันที่18เวลา10 ชุนชุนอของวันที่สิบแปดนั้นหลวงพ่อก็ได้อยู่ทางนู้นก็ไม่ได้ขึ้นมาร่วมงานของหลวงปู่ล่านะอันนี้ก็คือเรื่องงานภายนอกนะแต่เรื่องงานภายในพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างไรใช่งานไปงานแสดงธรรมหรือว่าไปงาน จำลึกถึงพระคุณหลวงตาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังห่างอยู่นะอถ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่ายังห่างอยู่ให้ทีก็คือเนี่ยให้ภาวนาเนี่ยอันนี้คือทีท่านเลยเขามาหาตัวเองแท้ๆเนี่ยนเลยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาอันนี้แหละคือเป็นการชําระใจของตัวเองแท้ๆชําระกิเลสภายในใจของตนเองแท้ๆ เป็นมุญกุศลที่แท้จริงที่แท้จริงคือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆที่ท่านหนักแน่นทั้งในหลักธรรมวินัยและทั้งบอกอเออมันไปหากินข้าวตม้มขนมจิตใจสงองอกนอก เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าเพื่อหวังผลทุกข์จริงๆก็นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์เดินจกยมให้ดูใจของตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันนั้นคือหลักจุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดใหญ่พระธรรมคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเพื่อให้พวกเราให้รู้รู้จุดที่พูดพุทธฝังทางนี้ทางนั้นอย่าไปถากของพ่อพูดนะโอ้สาคัญ พอสำคัญก็จะสายไปข้างนอกสายไปทั้งแรกก็ยิ่งมันไม่ใช่สายไปในทางที่ถูกต้องนะสายไปในในทางที่เดือดร้อนมากกว่าใจของเราจะร้อนมากกว่าถ้าว่าเข้ามาข้างในมาดูจิตใจของตนเองบําเพ็ญทางด้านจิตใจของตนเองนั่งภาวนาบังคับให้ภาวนา่าให เอาชนะใจของตนเองชนะกิเลสภายในใจของตนเองนั่นแ่ะอันนั้นล่ะเลิศประเสริฐที่สุดแต่มันก็ยากนะแต่ยากก็เถอะเหมือนกับเราทานอาหารทานยาเนะี่ยยาบางอย่างมันขมมากไม่อยากจะชันเลยมันต้องเืนทั้งขมแต่ทานเข้าไปแล้วหายจากโรคอันนี้เราก็จำเป็นจะต้องทาน นี่ก็เหมือนกันการสู้กับจิตใจของเราเราจะนั่งภาวนาเดินโยงกรมเนี่ยมันยากมันฝืนยากแต่พอทำเข้าไปแล้วใจของเราสบายเออหายจากกิเลสราคะโทสะโมหะ เ, เราก็ควรจะลงทุนเหมือนกันนะควรจะทุ่มเทจุดนี้ะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาแล้วการภาวนาทำอย่างไรเนี่ย พวกกเราทุๆคนนะ่ะ อ, นะแอแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนะ่ยร้องรอยไปทีละละชุดละชุดละชุดละองค์ละองค์งไปแต่ละปีเห็นก็น่าใจหายเหมือนกันนะจะทํำยังไงได้พอเกิดแก่เจ็บตายวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอยู่นสถานที่ใดให้ตั้งใจภาวนาะหาทางพ้นทุกแนวตามแนวแถว พ่อแม่กูบาอาจารย์ของพวกเราได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้แล้วนะอัลพรในอนุนโมทนาให้พร